หมวดที่ 2. ภิกษุทั้งหลายตัชนียกรรมประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระงับดีคือ 1. งลงพระต้องอาบัติ 2. ลงพระอาบัตที่เป็นเทศนาคามินี 3. ลงพระอาบัตที่ยังไม่ได้แสดงภิกษุทั้งหลาย